ส่วนที่เคารพคะเช่าตรูได้ปฏิบัติธรรมกันมาแล้วฟังพระสูตรเต็มๆ ม, มาแล้วจากท่านมาร์คนะคะส่วนที่ต้องการจะอ่านพระสูตรกันเองหนังสือผู้ทวจนะท่านจะเอาว่าในวัดที่ท่านมาร์คอยู่นะคะก็คือท่าจังทึกฤทธิ์มอบให้ผ่านทางรายการของเรามาสืบเนื่องไม่มีขาด้ายวลาสามเล่มสาหรับผู้ที่โทรเข้ามาใน 022690006ก็02ติดต่อันเข้ามาค่ะส่วนในรายการของเราว่างเวลาของปี2555ซึ่งทั้งโลกเราก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พระศาสดาองค์สำคัญของโลกแล้วก็เป็นศาสดาของพวกเราทุกคนชาวพุทธคือพระพุทธเจ้านั้นมาปรากฏบนโลกเป็นปีที่2600จึงมีการเฉลิมฉลองที่เรียกว่าพุทธชยันตีในประเทศที่เป็นเมืองพุทธ ที่ยิ่งใหญ่มากคุณเป็นประเทศเราเพราะว่ามีคนนับถือศาสนาพุทธกันมากเราละ่ะก็เป็นผู้ที่ศรัทธาในพระศาสดามากจะทำอย่างไรถึงจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ท่านทำได้แน่นอนแล้วก็ไม่ใช่เพียงเป็นส่วนเล็กๆด้วยเพราะว่าท่านสามารถบูชาสูงสุดด้วยตัวของท่านเองที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็คือการปฏิบัติตามธรรมะของพระศาสดา เป็นการบูชาอันสูงสุดนั่นเองนะคะและรายการของเราก็จะขอให้ท่านไบบูลนะคะได้ช่วยนำในสิ่งที่เป็นความรู้หลังจากที่ปรากฏตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมาบอกเล่ากับเราในรายการนี้ไปพบกับท่านกันเลยนะคะเปิดธรรมที่ถูกติดด้วยพุทธวจนะค่ะน้อมักการะท่านคะ่ะเชิญพานค่ะคอสกเรกลังจะมาอีกแล้วใช่ไหมคะที่รักครั้ง มันที่สี่คุมภารนี้ก็จะเป็นของเดินคุมภารล่ะเวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะคะใช่แล้วก็เวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยผู้หเตือนอยู่เสมอเลยนะว่าเวลาล่วงไปล่วงไปแบบนี้เราทำอะไรอยู่อย่าเพลิด <ๆ S 2> เพลินไปในแม้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันอดีตอนาคตนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเราต้องวางให้หมดมก็เรียกว่าได้ทำสําคัญเลยแค่คครวรอย่างนี้แล้วก็ ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์สูงสุดนี่ชื่อว่าปฏิบัติบูชาแล้วนะเพราะฉะนั้นที่เราจะถวายเป็นการบูชาพระพุทธองค์ในพุทธชยันตีนาเอาธรรมะข้อนี้ไปใช้ก็ได้เลยใช่มชใช่แล้วก็พอเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยให้เราสบายใจได้เลยนะว่าคุณจะอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนี้อยู่ไกลจากเราเนี่ยทั้งเรื่องของเวลาทั้งเรื่องของระยะทาง นึ่คือผู้เชา่าอยู่ที่อินเดียใช่ไหมไกลทั้งเรื่องระยะทางแล้วด้วยยังไกลเรื่องเวลาด้วยทั้ง 2,600 ปีแล้วเนี่ยแต่อยู่ใกล้ขนาดนี้แล้วนะถ้าเรามีจิตไม่สัตว์สายมุนไปผิดมีสัมมาทิฏฐิมีจิตเป็นเอกค า, าตาเยืนอยู่ในมรรคนั่นแหละชอว่าอยู่ใกล้ละอยู่ใกล้ด้วยบูชาด้วยอคือรู้วิธีทําให้ถูกทุกอย่างก็ดีอย่างที่ท่านพิบุลได้บอกไปท่านคะดิฉันอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดินผ่าน เห็ <ol> um <pt or> นคอลัมน์หนึ่งนะคะเขาก็เป็นภาพกราฟง่ายๆโดยสมมติว่าเส้นมาตรฐานหลักอี่ตรงกลางใช่ไหมคะมันจะมีกราฟสูงกว่าเส้นนี้กราฟที่ตกลงมาต่ำกว่าเส้นนี้ไอ้ที่สูงเนี่ยเขาใช้แทนเรื่องของความสุขโดยเขาเขียนว่าการ ม, มาสุขความรู้สึกทนง่ายแปลว่ายอย่า ง, งนีง้เลยนะคะอยู่ข้างบนการมาสุขความรู้สึกทนง่าย เพราะเส้นที่พุ่งลงมาตกต่ำกว่าเส้นมาตรฐานกลางเนี่ยเขาเขียนว่ากลุ้มใจทุกความรู้สึกทนยากนะคะส่วนตรงเส้นมาตรฐานกลางเนี่ยเขาเขียนกำกับไว้ว่าสงบสุขวิมุตติสุขจิตใจปกติไม่ต้องทน อันนี้หลักพระพุทธศาสนาเลยนะค ะ, ะถ้าเป็นพุทธภาชนาพระพุทธเจ้าก็จะบอกถึงความสุขที่ อ, อย่างหยาบๆก่อนนั่นคือว่าเราสมมติเราด่าคนว่าคนโกหกลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมแล้วมีความสุขนะนี่คือความสุขที่ขั้นที่แบบคนเราไม่ควรทำอริยะสาวกจะไม่ทําพวกนี้แนะพระสงฆ์จะไม่ทําพวกนีนะ้นี่คือข้อที่1ก่อนความสุขที่เหนืออย่างพวกนี้มีอยู่นะคือความสุขที่เกิดจากการมาสุข คือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เป็นความสุขที่เหนือขึ้นมาอีกความสุขที่เหนือกว่านี้ก็มีนะคือความสุขที่เกิดจากการที่ไม่ต้องเสพกามไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เปมีความสุขที่เกิดจากวิโตวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอันนี้ความสุขระดับที่1อันนี้ถึงจะเรียกว่าความสุขระดับที่1นึ่ะความสุขขึ้นไประดับที่2นั่นก็คือชาน2องไล่ขึ้นไปชั้นาม3ัาน4ี่ชั้นห ขึ้นจนถึงรูปสัญญาสมาบัติจนถึงขั้นที่เก้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงกราฟเนี่ยให้ถูกต้องเนี่ยนะก็ถ้าขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยกราฟที่พุ่งขึ้นเนี่ยก็จะตั้งแต่ระดับชั้นหนึ่งชั้นสชั้นสามจนกระทั่งถึงระดับ9้านู่นเลยนะสูงสุดที่ระดับเก้าและต่ำกว่านั้นจะเป็นกา ร, รมาสุขต่ำกว่านั้นลงไปอีกจะเป็นสุขที่เกิดจากอคติสรธรร ม, อ, มอันนั้นก็ไม่เรียกว่าสุขละอันนี้ก็เรียกว่าทุกข์อ่ะ อการกามกามสุขนี่ต้องอยู่ใต้เส้นมาตรฐานอ่าใช่ค่ะ อ, อ่าถ้าสมมุติว่าเรามาพูดกันถึงการเดินตามมัดถูกไหมคะคือเราพูดถึงว่าองค์ประกอบที่มันจะมีอยู่ใช่ไหม ค, คือองค์ประกอบที่อย่างสมมติระหว่างความสุขที่เป็นอกุศลธรรมกับความสุขที่เป็นกุศลธรรมเนี่ยสิ่งที่ไม่มีไม่เหมือนกันนะคืออาจจะมีเวทนาเหมือนกันนะคือสุขกับเวทนาที่เกิดขึ้นใช่ไหมแต่ที่ไม่เหมือนกันเนี่ยคือไอ้วอคอวามชั่ว มันมีอยู่ในสิ่งที่เป็นอกุศลความชั่วไม่มีอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศละที่นีเนื้อขึ้นไปอีกเนื้อขึ้นไปอีกเราพูดถึงไอความสุขทางการตาหูชมุมกลิ้งกายที่เป็นกุศลก็อาจจะมีนะแต่เราเอาแค่ไม่เอาสิ่งภายนอกเลยเราเอาจากภายในมันก็จะไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปะคือมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงว่างนันเถอะทีฉันเคยได้ยินคนเขาบอกว่าอยากรู้จังเลยอือว่า้สุขนักสุขนาะที่ว่ากัน อย่างที่เป็นความสุขระดับที่หนึ่งสองสามถึงเก้าที่ท่านว่าต่างกันยังไงได้ให้พูดสั้นๆต่างกันยังไงกับความสุขที่สามัญชนคนธรรมด า, ารู้สึกกันเนี่ย่ะเอาพุทธวจนะเลยดีกว่าค่ะนะพุทธวจนะเคยเปรียบเทียบนะความสุขของบุคคลบุคคลหนึ่งที่เรียกว่ามีความสุขที่สุดมากในโลกเนี่ยนะคือเรียกว่าพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเป็นบุคคลที่ครอบครองดินแดนทั่วโลก จะมีทรัพย์สินเพชรนินจินดามากมีทรัพย์ทั้งหมด7อย่างนั่นคือจักรแก้วนมณีแก้วช้างแก้วม้าแก้วนันางแก้วข้าราชกาแก้วเสนาบดีแก้วทั้งหมด7อย่างคือทรัพย์สินเพชรนินจินดาคือคลองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วโลกนี้เลยนะ <Okay. S 1> จะเอาอะไรก็ได้อยากจะทํางานวิจัยตรงไหนก็ได้จะสร้างตึกสูงเทียมฟ้าก็ได้จะขุดดินลงไปถึงลึกแค่ไหนก็ได้สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้หมดเนี่ย ความสุขขั้นที่หนึ่งของกษัตริย์องค์นี้เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับความสุขขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งอย่างเดียวก่อนนะของเทวดาบนสวรรค์จะพบว่าความสุขของมหากษัตริย์จักรพรรดิองค์นี้จะเท่ากับหินก้อนท่าฝ่ามือเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขขั้นที่หนึ่งของเทวดาบนสวรรค์เนี่ยเท่ากับเขาหิมะไหลเขาหิมะไหลนะความสุขของกษัตริย์องค์นี้เท่าเากับหินก้อนท่าฝ่ามือเท่านั้นเองนะแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นความสุขขั้นที่หนึ่งคุณยมติว ขั้นที่หนึ่งตนหนึ่งนะเราพูดถึงความสุขที่เกิดจากกามนะคือตรงนี้นะถ้าความสุขที่เกิดจากสมาธิฌานที่หนึ่งเนี่ยโอยมันสูงกว่านี้อกีกค่ะเออเอเาเอาพระสงฆ์เนี่ยที่บินธบาทด้วยปลีแข่งของตัวเองนุ่หงห่มผ้า ป, าปอนๆไม่มีชายแล้วเอาความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิองนี้นะอเดี๋ยวเอาความสุขของพระสงฆ์องค์นี้ก่อนนะที่เป็นโซดา บ, บันเนี่ยเอาความสุขของเขามาแบ่งเป็นสัมดสิบกส่วนเหมือนตั้งโมนะเรามาผ่าเป็นสิบหกซ่อนเดียวไห เอามา<ะ>ท่อดหนึ่งเอามาส่วนหนึ่งเอามาเสี่ยวหนึ่งนไปเปรียบเทียบกับความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิองค์นี้นะความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิองค์นี้อย่างเทียบไม่ติดเลยคะ่ะอืมขนาดนั้นนะคะ่ะอืมอ๋ออันนี้เอาแค่ขั้นที่หนึ่งก็ก็ร<ส><ข>ู้สึกว่ามันห่างกันไกลเลยเกิดท่านพระบุญค่ะที่ฉันได้ยินคนพูดว่าเขาให้คําจํากัดความอย่างนี้ค่ะว่าความสุขจากการปฏิบัติสมาธิเนี่ยเปความสุขอาศัยอารมณ์ ถูกไหมคะพูดอย่างนี้ความสุขจากสมาธิคือความสุขที่อาศัยใจไม่อาศัยสิ่งภายนอกไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายนะทำให้เกิดความสุขคืออารมณ์นี่คืออะไรก่อนนะอารมณ์อย่างที่คุณตรวมติพูดถึงเนี่ยคือเวลามีอะไรมากระทบนะแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นตรงนี้คือเรียกว่าอารมณ์เพราะนั้นอารมณ์เนี่ยบางทีต้องอาศัยสิ่งมากระทบเช่นเราฟังเสียงดนตรีเสียงนกร้องจิบจิบจิบเนี่ยเราจะเกิดอารมณ์ เช่นว่าถ้าเร า, านั่งอยู่เฉยๆเราก็จะมีอารมณ์มีความสุขแต่ถ้าเรากำลังบันทึกเสียงอยู่เราอาจจะมีอารมณ์จีด๊ดแหมมันมากวนเราแต่ถนน้าได้สิ่งอะรมากระทบเนี่ยมันเท่ากันมันเหมือนกันแต่ <c oughs> ในสถานการณ์คณนละสถานการเกิดอารมณ์คนละแบบใช่ไหม <c oughs> ทีนี้อารมณ์ตรงนี้มันอาจจะมาจากสิ่งภายนอกก็ได้แต่อารมณ์ที่พระพุทธเจ้าให้มีนั่นคืออารมณ์อุเบกขาหมายความว่าอะไรมากระทบก็นิ่งเฉยอยู่อันนี้ถือว่าดีค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ก็ดีนะอรุเบขานี่แสดงว่าชันสามขึ้นไปเลยทีเดียวนะคะนี่ก็คงจะเข้าใจมากขึ้นว่าความสุขจากสมาธิมันต่างกันยังไงที่บอกว่ามากมันมากอย่างไรพอจะเห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็อาศัยคำํำภาษาสดาเลยด้วยท่านพิบุลคะ่ะทีนี้มาถึงสิ่งที่จะรบกวนถามท่านเมื่อวานท่านเล่าถึงว่าเรื่องพระพุทธเจ้าคะา่ะคุณพรค่ะอ่าพอ พระบุตรเจ้าหลังจากที่มีความคิดว่าโอ้ยการนี้ไม่ควรที่จะแสดงธรรมแต่ามาพอจิตน้อมไปในความกวัขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมเนี่ยก็เลยเป็นเดือดเป็นร้อนถึงสามบดีพรมต้องมาพูดชาสนทนาขอร้องให้พระพุตรเจ้าแสดงธรรมเราจบกันที่ตรงนี้เมื่อวานนี้ค่ะจากนั้นเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คือยังไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่วิแถวๆตมบนอุรุเวลาอยู่นะว่าหลังจากนั้นก็พระบุตรเจ้าก็มาไข้ครวนนะพิจรารณา คำของสามบดีพรมนั่นที่ว่าเสัต์ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่เนี่ยคือไม่ได้ว่าเชื่อเลยแนะต่มาพิจารณาก่อนนะจึงพบตรวจดูโลกธาตนะุตรวจดูโลกธาตุตลอดเนี่ยด้วยปัญญาของพระองค์เองด้วยพุทธศัพท์แล้วเนี่ยก็เพราะว่าสัตว์ที่มีดว ง, ดวงตาทุลีในดวงตาน้อยก็มีทุลีในดวงตามากก็มีอินทรีย์แก่อ่อนก็มีนะแล้วก็เลยแบ่งเปรียบเหมือนกับ สัตว์ทั้งหมดเนี่ยเป็นดอกบัวสามประเภทนะดอกบัวที่ประเภทที่ยังจมอยู่ในน้ําก็มีอันนี้ประเภทที่หนึ่งยังเสมอด้วยพื้นน้ําก็เป็นประเภทที่สองแล้วก็โผล่ขึ้นพ้นน้ําแล้วนะแต่ยังไม่บานแล้วก็มีสามประเภทท่านคนะเจริญพรท่า น, านไม่ได้ใส่อีกประเภทหนึ่งหรือเปล่าคะก็ส่วนใหญ่ได้ยินแต่ดอกบัวสีเราคะ่ะเออสีเหลานี่เป็นอัตคาถา โ, <อ>โดยพุทธวจนะเนี่ยจะมีแค่สาม อัตถคถาท่านก็เพิ่มเหล่าที่สี่เข้าไปก็คือดอกบัวที่บานแล้วนีนก็เปรียบเสมือนเหล่าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายค่ะคือประเภทที่สามที่เราพูดถึงกันเนี่ยที่พระเจ้าตรัสไว้แค่สามเนี่ยก็คือดอกบัวที่หลอดพ้นน้ําแล้วแต่ยังไม่บานนะรอบานอยู่อคือพอหลังจากที่ได้รับแสงสว่างคือคําสอนพระเจ้าเนี่ยจึงบานออกมาในอัตถคถ า, าเลยเพิ่มตรงนี้เข้าไปค่ะท่านฟังที่ครบค่ะจุดนี้น่าสนใจนะคะคือเหมือนกับว่าเราเนี่ย เข้าใจว่าพระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องดอกบัวว่ามีอยู่สี่เหล่าแต่ทีนี้ในโอกาสที่เราจะมาศึกษาว่าตรัสสอนอะไรไว้บ้างแล้วถ้อยคําของท่านนั้นเราถือว่าเป็นถ้อยคําที่ศักดิ์สิทธิ์เพิ่ ม, มเติมลดทอนไม่ได้ถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ใชดังนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็ให้เข้าใจแล้วกันถ้าแยกแยะ ก, กันให้ถูกว่าถ้าเป็นพระพุทธองค์เนี่ยตรัสไว้เอาแค่พ้นน้าแล้วรอบานใช่มีแค่นี้ค่ะแต่ว่า ถ้าจะเป็นสี่เหล่านี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ใน ร, รุ่นออาจจะเติมเข้าไปเพื่อที่ใหนะ้มันมีความหวังนะครับมันบานเลยค่ะทีนี้หลังจากนั้นพอได้พิจารณาเห็นดังนี้นามก็เลยตอบนะรับรองคำขอของสาบดีพรมนะด้วยคำปลุกเป็นกาบนะบอกว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะเราได้เปิดไปแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราได้มีโสดประสาส สัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิดดูก่อนพรมเรารู้สึกว่ายากจึงไม่กล่าวทำอันประณีตที่เราคล่องแคล่วชำนาญในหมู่มนุษย์ทั้งหลายดังนี้อืออนี้ตรงนี้เป็นข้อความที่แม่จตมาฟังและซาบซึ้งใจมากเลยค่ะก็สามารถไปศึกษาได้ตรงไหนแคเนี้เผื่อใครอยากจะท่องนะหนูเหนว่าอันเนี้เป็นประตูแห่งโอกาสอั น, นยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติอืมออถูกไหมคะ ก็อันนี้ก็เอามาจากหนังสือพุทธรวัติจากพระโอษณะสองร้อยยี่สิบสี่นค่ะประตูแห่งนิพพา น, น, เ, นเราเปิดไว้แล้วอ่ใช่ประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะเราเปิดไปแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราได้มีโสดประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิดประตูเปิดไว้รอรับให้เข้าอขอบเนี่ยแต่ว่ามีเครื่องมือที่สําคัญคือมีโสดประสาทนะคะหูนั่นเองถ้าไม่มีหู เข้าประตูนี้ไม่ได้หรื อ, อยังไงคะก็ เ, เพราะว่าตอนนั้นผู้เชา่าแสดงธรรมด้วยการที่พูดบอกสอนแต่เราก็ต้องมีศรัทธาด้วยนะมีศรัทธามีหูนะถึงจะไปได้ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะสบายไหมคะประตูเปิดไว้แล้วหูเราก็มีศรัทธาเราก็มีมทา่านไปเย็่นหน้าประตูกันหรือยังคะทีนี้ทำไมบางคนยังเข้าไม่ได้เพราะว่าถูกถูกไอ้อภิชามันบังอยู่ถูกตัญหามันดึงไว้อยู่ ทีนี้ตรงเนี้ยประเด็นที่ว่าพระพุทธเจ้าจะสอนอะไรนั่พระพุทธเจ้าก็ ม, มาคิดเอ้ยว่าฉันจะสอนอะไรดีนะทีนี้ตอนที่จะสอนอะไรเนี่ยเราจะมาต่อกันในสัปดาห์หน้ากัแล้วกันว่าพระพุทธเจ้าตัดสินใจว่าจะสอนเรื่องอะไรค่ะบางคนที่แบบว่ายัางไม่มีความรู้ว่าจะเข้าประตูกันท่าไหนนะคะก็อยากเข้าเหมือนกันโอ้ฟังดูแล้วนี่น่าสนใจมากเลยหูกบบมีประตูก็เปิดอืมประตู แห่งนิพพานซะด้วยติดตามวันจันทร์หน้ากันแล้วกันนะคะกับท่านพิบูลอภิปุโนชไว้ป่าดอนายโซท่านจังจคะเอ๊หมดสักครู่ดิฉันจะกลับเรียนถามอะไรท่านก็ไม่รู้เอาไว้สัปดาห์หน้ากันแล้วกันนะคะแต่รู้สึกว่าอ๋อจำได้แล้วมีคนบอกว่าเข้าไปในเพียวธรรมะคอมของท่านเพื่อที่จะไปศึกษาธรรมะของท่านเนี่ยนะคะแล้วก็ถามคําถามท่านบวกถามไปอีกครั้งท่านพิบูรณ์จะบอกว่าให้ไปค้นดูที่ไหน <laughs> เหตุผลอะไรคะคือเหมือนกระถามแล้วไม่ตอบทันทีแต่ให้ไปค้นเนี่ยค่ะเออเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะนะค่ะสมมุติว่าถ้าอาจามาบอกไปเลยเนี่ยมันก็ได้ก็จะมันก็จะมีเนื้อที่แค่นั้นเองแต่ว่าประสูดุนี่มันยาวมากเราก็เลยให้เขาไปดูตรงนี้ก็แล้วกันอ๋อค่ะอ่าก็เป็นการที่ดิฉันเองก็เข้าใจว่าสงสัยท่านต้องการให้คนศึกษา ขยัศึกษาด้วยตัวเองจะได้รู้ว่าเราก็ศึกษาเองได้ใช่ใช่นะคะวันนี้ก็นมสัสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะท่านเปพันธข่าท่านไปบมพันธ์จะว่าป่าดอนหายโศกเสาร์อาทิตย์ท่านไม่ได้หยุดแบบพวกเรานะคะท่านจะไปจัดรายการวททาทิทยุที่สถานีวิทยุ ก, กระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยใครสนใจก็ตามไปฟังกันละกันส่วนถ้าจะฟังแบบการสนทนาที่มีท่านม้ามีดิฉันด้วยเนี่ยสันนิสนทนาทางครอบครัวข่าว f m ฟเอ แลาวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเราจะได้มาร่วมเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตีด้วยกันด้วยการปฏิบัติบูชาซึ่งตั้งแต่ตอนต้นของรายการเลยนะคะท่านพะบูลก์บอกว่าการที่เราเข้าถึงว่าเวลามันล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่แล้วเอามาประพฤติปฏิบัติในการที่จะไม่ประมาทเนี่ยก็ถือว่าได้ปฏิบัติบูชาเป็นการถวายการบูชาในปีพุทธชยันตีอย่างสูงสุด พอๆกับที่ระดับชาติระดับโลกระดับอินเตอร์เขาทำกันนั่นแหละคะ่ะอย่าลืมนะคะอยากศึกษาถ้อยคําพระศ า, าสดากันอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วเอาไปท่องอย่างเช่นเรื่องของประตูของนิพพา น, นเป็นอมตะเปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็อ่านหนังสือชุดพุทธวัตรชนะจากพระโอษฐ์คือเหมือนกับว่าสิ่งที่ท่านตรัสเอาไว้อย่างวันนี้เราได้ความรู้ใหม่ว่าดอกบัวมี3ามเหล่าเห็นไหมคะจากที่เคยเข้าใจว่าต้องมี4ก็ไว้ คอยฟังกันต่อนะคะวันนี้หนังสือที่022690006พระอาจารย์คริปลิฟฝากมาให้วันละ3เล่มพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะพุทธวัดสวัสดีค่ะ